เริ่มสวดอุ ป, ปาตสันติฉบับภาษาไทยสามารถฟังหรือสวดตามในใจก็ได้อ น, นิสงฆ์เช่นกันนะครับธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เพื่อประโยชน์ของสัตว์โลกเป็นธรรมะที่เห็นได้ยากยิ่ง สำหรับธรรมะที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นธรรมะที่สามารถกระทำความสงบอันประเสริฐและสามารถประทานซึ่งสมบัติทั้งปวงเป็นเครื่องย่ำยีกำลังของข้าศึกเป็นเครื่องจำเริญชัยชนะแด่พระราชาเป็นเครื่องนำสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาทั้งปวงออกไปเป็นธรรมะอันประเสริฐข้าพเจ้าจะแสดงคุณธรรมเช่นนั้นตามสภาพที่เป็นจริง ณที่ใดมีผู้กล่าววาจาสรรเสริญพระคุณอันประเสริฐของพระรัตนตรยัยด้วยจิตที่เลื่อมใสณนะที่นั้นความสุขความสบายและความสวัสดีย่อมมีแก่ผู้นั้นตลอดการทุกเมื่อพระตันหังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แกล้กลามากผู้อนุเคราะห์สัตว์โลกทั้งปวง ผู้คลายตันหาอันเป็นเหตุท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรได้แล้วผู้ประทานสิ่งที่น่าปรารถนาทั้งปวงให้ในการทุกเมื่อผู้ทรงครอบงำธรรมะทั้งปวงส่งรู้แจ้งธรรมะทั้งปวงทรงเป็นครูผู้ยอดเยี่ยมของมนุษย์และเทวดาทั้งปวงทรงสิ้นอาสวะทั้งปวงแล้วโปรดประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพระองค์ในการทุกเมื่อเถิด พระจอมุนีพระนามว่าเมธังกรพูดถึงพร้อมแล้วด้วยพระลักษณะอันเลิศผู้ทรงไว้ซึ่งพระรัศมีผู้ทรงมีพระสิริยิ่งใหญ่รุ่งเรืองดุจสุวรรณคีรีผู้ทรงมีพระรูปเพียงดังเท้ามหาพรหมมีพระวรกายอันประกอบด้วยมหาปุริสารลักษณะทรงเป็นที่พึ่งอันประเสริฐมีพระกำลังมากทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาทรงเป็นพระศาสดา โปรดประทานความสงบอันยิ่งใหญ่แก่พวกข้าพระองค์เถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสารนังกรทรงเป็นที่พึ่งทรงกำจัดความมืดมนคืออวิชชาได้แล้วทรงกระทําประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกกล่าวคือเหล่าทวยเทพอสูรและมนุษย์ทั้งหลาย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสรนังกรพระองค์นั้นผู้ทรงรุ่งเรืองด้วยพระรัศมีแผ่ออกไปหนึ่งวาโดยรอบผู้ทรงมีพระวรกายเป็นปริมณฑลดุจต้นไทรผู้ทรงมีพระโอทแดงเรือดุจผลตำลึงสุขโปรดประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพระองค์ในการทุกเมื่อเถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกร มีพระวรกายสูง80สบศอกส่งเป็นพระมหามุนีพระรัสมีของพระองค์แผ่ออกไปในที่ส2องโยศพระองค์ทรงพระชนอยู่ในโลกหนึ่งแปีท่งนำเวนยสัตว์สู่พระนิพพานส่งเป็นพระศาสดาผู้ประทานแสงสว่างแก่โลกโปรดประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพระองค์ในการทุกเมื่อเถิด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนทัญญะมีพระวรกายสูง88สศอกทรงเป็นผู้นำทรงเป็นผู้ไม่มีบุคคลเสมอด้วยธรรมะทั้งปวงทรงถึงความเป็นผู้มีบารมีทั้งปวงทรงเป็นพระผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีพระชนมายุหนึ่งแปีขอพระองค์โปรดเลื้องพวกข้าพระองค์ให้พ้นจากภัยทั้งปวง โปรดประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพระองค์ในการทุกเมื่อเถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละทรงมีพระวรกายสูง88สิบศอกทรงไว้ซึ่งพระรัศมีทรงมีพระชนมายุเก้าหมปีพระชับพันในรังสีของพระองค์แผ่ปกคลุมโลกธาตุหนึ่งมืขอพระองค์โปรดประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพระองค์เถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุมนะทรงมีพระวรกายสูงเ0้าสิบศอกทรงเป็นผู้นำทรงเป็นผู้เปรียบประดุษสุวรรณคีรีทรงมีพระชนมายุเก้าหมืปีทรงประกอบด้วยพระพุทธคุณทั้งหลายทรงสแสวงหาความเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์โลกทั้งปวงโปรดประทานความสงบร่มเย็น ความไม่มีโรคและความสุขแก่พวกข้าพระองค์ในการทุกเมื่อเถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเรวตะทรงมีพระวรกายสูงแปดสิบศอกทรงมีพระชนมายุหกหมื่นปีทรงประเสริฐกว่าสัตว์โลกทั้งปวงทรงรู้แจ้งโลกทั้งปวงแสงแห่งพระรัศมีอันไม่มีที่เปรียบอันเกิดแต่พระวรกายของพระองค์ แผ่ไปตลอดแนวหนึ่งโยอเป็นนิดโปรดประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพระองค์ในการทุกเมื่อเถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโสพิตะสรงมีพระชนมายุ9 0้า0ปีส่งเปลื้องสัตว์โลกเป็นจำนวนมากจากทุกในห้วงมหาสมุทรคือสังสารวัตรพระองค์ทรงมีพระวรากายสูง58สดศอก ทรงเป็นพระมหามุนีผู้ประเสริฐทรงอย่างทิศ ท, ทั้งปวงให้สว่างสวยัยโปรดประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพระองค์ในการทุกเมื่อเถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอนมัทัศ ส, สีผู้อันศัตรูไม่สามารถกล้ำกลายได้ทรงมีพระบรากายสูงห8สศอกทรงกระทา ม, มนุษย์โลกพร้อมทั้งเทวโลกให้สว่างสวัยอยู่ พระองค์ทรงยังสัตว์โลกใหถึงพระนิพพานทรงมีพระชนมายุหนึ่งแสปีโปรดประทานความสงบร่มเย็นแก่พวกข้าพระองค์ในการทุกเมื่อเถิดอันหนึ่งขอให้พวกข้าพระองค์จงเป็นผู้มีความสุขในการทุกเมื่อเถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมะทรงเป็นผู้ประเสริฐกว่าเหล่าสัตว์โลกทั้งปวงทรงมีพระวรกายสูงห8สดศอก ทรงรุ่งโรดประดุษพระอาทิตย์พระองค์ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงมีพระชนมายุหนึ่งแปีแม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระมหากรุณาขอทรงโปรดประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพระองค์ในการทุกเมื่อเถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่านารทะทรงมีพระวรกายสูง88ศอก ทรงประทานสิ่งที่น่าชอบใจทั้งปวงประระสมีของพระองค์แผ่ไปสู่ที่หนึ่งโยช์ตลอดวันและคืนเป็นนิดพระองค์ทรงแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากวัฏฏุกข์ทรงมีพระชนมายุ9ก้าหมืนปีโปรดประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพระองค์เถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระ ทรงมีพระวรกายสูง58สศอกพระรัศมีอันมีอยู่โดยธรรมชาติของพระองค์แผ่ไปถึง12โยนพระองค์ทรงประทานอมฤตธรรมคือพระนิพพานทรงดำรงพระชนอยู่ในโลกตลอดหนึ่งแสนปีทรงเปลื้องหมูสัตว์โลกให้พ้นจากกิเลสเครื่องผูกมัดขอพระองค์โปรดคุ้มครองพวกข้าพระองค์ในการทุกเมื่อเถิด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธะทรงมีพระวรกายสูง88สศอกทรงเป็นพระมหามุนีผู้ประเสริฐทรงมีพระชนมายุ9ก้า0มืปีพระรัศมีอันมีอยู่โดยปกติของพระองค์แผ่ไปตลอดหนึ่งโยตในการทุกเมื่อขอพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมทะนั้นโปรดคุ้มครองพวกข้าพระองค์ให้พ้นจากภัยต่างๆ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตะทรงมีพระวรกายสูงห้าสิบศอกทรงเป็นผู้นำทรงมีพระชวีประดุดทองทรงเป็นผู้แกล้ากล้ายิ่งทรงบันเทาความมืดคือโมหะขอพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตะแม้นั้นผู้ทรงมีพระชนมายุ9ก้าหมืนปีทรงมีพระมหากรุณาโปรดประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพระองค์ ในการทุกเมื่อเถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัตสีทรงมีพระวรกายสูงแปดสิบศอกทรงเป็นมุนีผู้ประเรสริฐทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกสู่พระนิพพานทรงดำรงพระชนอยู่ตลอดเก้าหมื่นปีขอพระพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัตสีแม้นั้นผู้ทรงประกอบด้วยคุณทั้งปวงทรงให้ความสุขแก่โลกทั้งปวง ทรงกำจัดโทษทั้งปวงโปรดประทานความสวัสดีทั้งปวงแก่พวกข้าพระองค์เถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอัฏฐทัศสีทรงมีพระวรกายสูง8ปสบศอกทรงเป็นพระผู้ประเสริฐทรงเป็นผู้นำทรงดำรงพระชนอยู่ในโลกตลอดหนึ่งแปีพระรัศมีอันมีอยู่โดยปกติของพระองค์ แผ่ไปได้หนึ่งโยน์ตลอดกลางวันและกลางคืนในการทุกเมื่อเป็นนิดพระองค์ผู้เป็นที่พึ่งโปรดประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพระองค์เถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าธรรมทัตสีทรงมีพระวรกายสูง8ปสบศอกทรงรุ่งโรดด้วยพระเดชานุภาพยิ่งกว่าโลกซึ่งประกอบด้วยเหล่าทวยเทพอสูรและมนุษย์ทั้งหลาย พระองค์ผู้ทรงมีชื่อเสียงและบริวารอันยิ่งใหญ่ดำรงพระชนอยู่ในโลกตลอดหนึ่งแสนปีส่งเปลื้องสัตว์ทั้งปวงจากภัยโปรดคุ้มครองพวกข้าพระองค์ให้พ้นจากภัยในการทั้งปวงเถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะทรงมีพระวรกายสูง60สอบสองทรงยังความสวัสดีให้เกิดขึ้นในภพทั้งสาม ทรงมีพระชนมายุหนึ่งแสนปีขอพระสัสดาพระนามว่าสิทธัตถะนั้นผู้ทรงยังหมู่มนุษย์พร้อมทั้งเหล่าถวยเทพให้ข้ามพ้นจากห้วงมหาสมุทรคือสังสารวัฏและให้ถึงพระนิพพานโปรดประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพระองค์ในการทุกเมื่อเถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าติดสั ทรงมีพระวรกายสูง60สศอกทรงเป็นบุคคลผู้นำชั้นเลิศของโลกไม่มีบุคคลเทียบเท่าไม่มีบุคคลเสมอเหมือนไม่มีบุคคลเปรียบปานทรงเป็นผู้สูงสุดทรงเป็นผู้ชนะมารทั้งปวงด้วยพระเดชานุภาพของพระพุทธเจ้าพระนามว่าติดสัต์พระองค์นั้นผู้ทรงมีพระชนมายุหนึ่งแสนปีขอความไม่มีโรคและความสุขอันประเสริฐ ทรงมีแก่พวกข้าพระองค์เถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าพุทธสทรงมีพระวรากายสูงห8สบศอกทรงเป็นบุคคลผู้นำชั้นเลิศของโลกทรงยังดอกบัวคือหมู่ชนให้เบิกบานทรงยังหมู่มนุษย์พร้อมทั้งเหล่าทวยเทพให้ถึงพระนิพพานพระองค์ทรงมีชื่อเสียงและบริวารอันยิ่งใหญ่ ทรงดำรงพระชนอยู่ในโลกตลอด9 0้า0ปีผู้ทรงนำสัตว์โลกจำนวนมากออกจากสังสารวัตรโปรดประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพระองค์ในการทุกเมื่อเถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีทรงมีพระวรกายสูง80สศอกทรงเป็นผู้นำของสัตว์โลกพระรัศมีของพระองค์แผ่ไปตลอดเจ็ดโยตโดยรอบ ขอพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีแม้นั้นผู้ทรงมีพระชนมายุแปดหมื่นปีทรงเป็นที่พึ่งทรงเปลื้องเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจากเครื่องผูกคือกิเลสโปรดประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพระองค์เถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงมีพระวรกายสูงเจ็สบศอกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระนามว่า สิกขีทรงเป็นผู้นำพระรัศมีของพระองค์แผ่ไปตลอดสามโยศ์โดยรอบขอพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีแม้นั้นผู้ทรงไม่มีผู้เปรียบทรงมีพระชนมายุเจ็ดหมื่นปีโปรดประทานความสงบอันประเสริฐแก่พวกข้าพระองค์อันหนึ่งขอพวกข้าพระองค์จงเป็นผู้ถึงความสุขในการทุกเมื่อเถิด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูผู้มีพระชวีประดุดทองทรงมีพระวรกายสูง6 0สศอกทรงมีพระชนมายุหกหมื่นปีขอพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูแม้นั้นผู้อันหมู่พรมเทวดามนุษย์นาคอสูนและครุฑพากันบูชาแล้วทรงเป็นที่พึ่งโปรดประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพระองค์ ในการทุกเมื่อเถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากะกุสันทะทรงมีพระวรกายสูงส0สศอกทรงเป็นมุนีผู้ประเสริฐพระราษมีจากพระวรกายของพระองค์แผ่ซ่านไปส2องโยศขอพระพุทธเจ้าพระนามว่ากะกุสันทะแม้นั้นผู้ทรงมีพระชนมายุ 40, สี่หมื่นปีทรงเป็นผู้ไม่มีใครเปรียบ ทรงเป็นที่พึ่งโปรดประทานอายุความสุขและกำลังแก่พวกข้าพระองค์ในการทุกเมื่อเถิดพระโกนาคมณะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระวรกายสูงส0สศอกผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงมีพระชนมายุสามื่นปีทรงยังหมู่ทวยเทพบนสวรรค์และหมู่มนุษย์บนพื้นโลกให้อิ่มเอิบด้วยอมตะธรรม คือพระนิพพานโปรดประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพระองค์ในการทุกเมื่อเถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัดสปักผู้ทรงเป็นพระธรรมราชาทรงมีพระรัศมีทรงมีพระวรกายสูงยี่สิบศอกทรงมีพระชนมายุสองหมื่นปีพระองค์ไม่มีผู้เปรียบป่านเสมอเหมือนทรงเป็นศาสดา ข, ของเหล่าถวยเทพ ทรงเป็นผู้ยอดเยี่ยมโปรดประทานความสงบอันประเสริฐความไม่มีโรคและชัยชนะแก่พวกข้าพระองค์ในการทุกเมื่อเถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะทรงมีพระวรกายสูงส8บดสอบทรงเป็นผู้เชิดชูสักยะวงทรงตรัสรู้ธรร ม, มะทั้งปวงทรงเป็นผู้โดดเด่นกว่าชนทั้งปวงทรงประทานความสุขให้แกส่สัตว์โลก ขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะผู้ตรัสรู้ธรรมะทั้งปวงทรงประกอบด้วยบุญทรงมีพระบารมีอันสูงสุดทรงเพียบพร้อมด้วยวิชาและจจรณะโปรดประทานความสวัสดีและความไม่มีโรคแก่พวกข้าพระองค์เถิดอันหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายหลายร้อยโกฏซึ่งเสด็จล่วงลับไปแล้ว ทรงประจักษ์โลกทั้งปวงด้วยพระยานแล้วจึงทรงอนุเคราะห์เหล่าสรรัพพสัตทรงล่วงพ้นเวรและภัยทั้งปวงทรงประทานความสุขแก่สัพพสัตทรงกรำจัดโทษทั้งปวงขอทรงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพระองค์เถิดก็ในอนาคตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเมเตยะ ทรงเป็นผู้ที่หมู่ถวยเทพบูชาแล้วทรงมีฤทธิ์มากทรงเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาทั้งปวงโปรดประทานความสงบอันประเสริฐแก่พวกข้าพระองค์เถิดพระปัจเจกกสัส ม, มาสัมพุทธเจ้าทั้งปวงทรงปรีชาญาณในนิโรธสมาบัติและฌานสมาบัติทรงปราศ จ, จากความกำหนัดยินดีหมดความรังเกียจ ส่งคุณอันหาประมาณมิได้ส่งสแสวงหาคุณอันประเสริฐพระปัจเจกกสัสสมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายนี้เห็นหมู่เวนยสัตว์แม้ในที่ไกลก็ส่งเสด็จไปช่วยเหลือสัตว์เหล่านั้นให้ได้รับประโยชน์โดยพลันโปรดประทานความสงบแก่พวกข้าพระองค์ในการทุกเมื่อเถิด พระธรรมพร้อมทั้งปริยัติที่สมบูรณ์ด้วยคุณมีความเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นเป็นอารมณ์ของพระพุทธเจ้าเป็นเหตยังสัตว์โลกให้ข้ามพ้นสาครคือสังสารวัตรขอพระธรรมอันบริสุทธิ์ยิ่งอันมีปกติทาลายไขย่คือกิเลสเป็นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงจเจริญแล้วเป็นธรรมะอันประเสริฐอันยังสัตว์ใหถึงพระนิพพาน โปรดประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพระองค์ในการทุกเมื่อเถิดพระสงฆ์ผู้สมบูรณ์ด้วยคุณมีศีลเป็นต้นดำรงอยู่ในมักและผลชนะอินทรีย์แล้วชนะบาปแล้วเป็นทักขิเนยะบุคคลผู้ยอดเยี่ยมขอพระอริยสงฆ์ผู้ไม่มีอาศวะผู้ไม่มีอาศวะ ผู้บริสุทธิ์ผู้หมดความปรารถนาในภพน้อยภพใหญ่ผู้มีจิตจดจ่อในพระนิพพานเป็นสัตบุรุษขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระอัญญาโกลธัญะเถระเป็นผู้เลิศกว่าเหล่าภิกษุผู้รู้ราตรีผู้บรรลุเป็นพระโสดาบัน ด้วยพระธรรมจักรกับปวัตนะสูตรขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระวัปปะเถระผู้มีปัญญามากผู้กำจัดความมืดคือโมหะผู้กำหนดความสงบอันประเสริฐในโลกขอจงประทานความสงบอันประเสริฐแก่พวกข้าพเจ้าเถิดพระพัฒยเถระผู้มีศีลงาม ผู้เป็นทักษิเนยะบุคคลผู้ยอดเยี่ยมผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่โลกขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระมหานามะเถระผู้มีปัญญามากผู้ตรัสรู้ธรรมอันประเสริฐผู้มีชื่อเสียงเป็นพระขี่นาศพผู้ประเสริฐขอจงประทานความสงบอันยิ่งใหญ่แก่พวกข้าพเจ้าเถิด พระอัศชิเถระผู้มีปัญญามากผู้ชนะมารผู้ชนะอินทรีผู้ชนะศัตรูในโลกขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระยะศักดิ์เถระผู้ฟังอนุปุภาพิคถาแล้วมีจิตตั้งมั่นบรรลุพระอรหัตนตผลอันเป็นธรรมะอันเลิศขอจงประทานความสวัสดี และความไม่มีโรคแก่พวกข้าพเจ้าเถิดและพระเถระผู้เป็นพระอรหันต์ห้รูปผู้เคยเป็นสหายของพระยศักดิ์เมื่อครั้งยังเป็นผู้ครองเรือนบรรลุแล้วซึ่งพระนิพพานอันประเสริฐขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระพัทธวคีผู้เป็นเถระ30องค์ ผู้มีรูปทรงและผิวพรรณอันหาใครเปรียบปานมิได้สิ้นอาสวะแล้วเป็นผู้ชนะตนมีความชํานาญในการเข้าฌานขอจงประทานความไม่มีโรคแก่พวกข้าพเจ้าเถิดแม้พระอุรุเวลกัสปะผู้เป็นเลิศในตำแหน่งแห่งภิกษุผู้มีบริษัทมากขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิด แม้พระเถระนามว่านาทีกัสปะผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐผู้มีภิกษุเป็นสิทธิสา0ร้อยเป็นบริวารผู้สมบูรณ์ด้วยศีลขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระเถระนามว่าขยากัสปะผู้รุ่งเรืองด้วยธรรมผู้สงบผู้เข้าถึงพระนิพพานอันเป็นที่ปราศจากภวะตัณหา ขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดในบรรดาสัพพสัตผู้มีปัญญาทั้งหลายเว้นพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลกแล้วสัตว์ใดๆย่อมไม่ถึงเซี่ยวที่16แห่งปัญญาของพระสารีบุตรขอพระสารีบุตรตัผู้มีปัญญามากผู้เป็นอครสาวกองค์ที่หนึ่งผู้เป็นธรรมเสนาบดี ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เลิศทางปัญญาขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระมหาเทระใดผู้สามารถยังเวยชยันปราสาสคือปราสาสตร์ของพระอินให้วันไหวแม้ด้วยเพียงหัวแม่เท้านั้นผู้สามารถพลิกแผ่นดินผืนใหญ่ทั้งหมดได้พระมหาเทระนั้นนามว่าโมคลานะ ผู้เป็นพระอัครสาวกองค์ที่สองเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเทินพระมหาเทระนามว่ากัสปะผู้มีผิวพันธ์อันงดงามดุดเนื้อทองคำอันบริสุทธิ์ผู้ได้รับยกย่องให้เป็นผู้เลิศในทางทุดดงคุณ เป็นพระอัครสาวกองที่สามของพระศาสดาเป็นผู้ยินดียิ่งในการอยู่ป่าผู้ทรงผ้าบังสุกุลเป็นมุนีผู้รู้โลกทั้งภายในและภายนอกผู้ทรงไว้ซึ่งคำสอนของพระสุคตขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพระเจ้าในการทุกเมื่อเทินพระอุบาลีเถระผู้ฉลาดในอาบัตและมิใช่อาบัต และในอาบัตที่เยียวยาได้และเยียวยาไม่ได้ผู้อันพระศาสดาทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้เลิศในทางทรงพระวินัยผู้อันพระศาสดาทรงยกย่องให้เป็นผู้ถึงซึ่งความเป็นผู้เลิศในทางทรงจาพระวินัยผู้สำรวมกายวาจาและใจขอจงประทานความสงบอันประเสริฐแก่พวกข้าพเจ้าและขอให้ความสวัสดีความไม่มีโรค จงมีแก่พวกข้าพเจ้าเถิดพระอนุรุธทธะมหาเถระเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้มีตาทิพย์เป็นพระประยุน ญ, ญาติผู้ประเสริฐของพระผู้มีพระภาคขอจงประทานความสวัสดีและความไม่มีโรคแก่พวกข้าพเจ้าเถิดพระพัฒยเถระเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้มีตระกูลสูง เป็นผู้มีจิตอันตั้งมั่นเป็นบุตรของนางกาลิโคทาขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระอนันตเถระผู้อุปถัมภะพระพุทธเจ้าผู้ยังการทําสังขยาให้สําเร็จผู้เป็นพระหูสูตรผู้ทรงธรรมขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิด พระกิมพิละเถระผู้สมบูรณ์ด้วยสิริเพียบพร้อมด้วยบร ม, มสุขเป็นพระขี่นาศพผู้ประเสริฐขอจงประทานความสงบอันประเสริฐแก่พวกข้าพเจ้าเถิดพระภคุเทระผู้เลื่อมใสและอยู่ด้วยความเคารพในคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้บรรลุเป็นพระอรหันตขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้า ในการทุกเมื่อเถิดพระกาลุทายีเถระผู้มีฤทธิ์มากเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้ทำให้คนเลื่อมใสขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระบุญเถระผู้เป็นบุตรของนางมันตานีเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้เป็นธรรมกรถึกผู้จบไตรเพศ ขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าเถิดพระพารทวาชะมหาเถระผู้อันพระศา ส, าสดาทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้บรรเลงสีหนาฏขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระกัจจายนะเถระ ผู้สามารถอธิบายเนื้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วโดยสังเขปให้พิศดารผู้ปราศจากความสินเนหาในภพขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าเถิดพลกุณะตะกะพัทธิยะเถระผู้อันพระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ในตําแหน่งเป็นผู้เลิดกว่าบรรดาภิกษุผู้มีเสียงไพเราะขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระสุภูติเทระเป็นผู้แสดงธรรมแก่สัตว์ตามพุทธดำรัสเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้อยู่ด้วยธรรมอันปราศจากค่าศึกและเลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้ควรรับทักษิณาทานขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าเถิดพระเระวัตตะ ผู้อาศัยอยู่ในป่าไม้สีเสียดผู้ยินดีในความวิเวกเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้มีปกติอยู่ในป่าขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระเทระนามว่ากังขาเรวตักเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้มีปกติยินดีในการเข้าฌานเป็นผู้ฉลาดในสมาธิและฌานขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้า ในการทุกเมื่อเถิดแม้พระโสนะโกริวีสะเถระเป็นผู้มีจิตดิ่งไปในนิพพานเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้ปราบรความเพียรขอจงประทานความสวัสดีและความผาสุกแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดแม้พระโสนะกุติกั น, นเถระผู้อันพระศาสดาทรงสรรเสริญว่าเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้กล่าววาจาไพเราะ คือสาทยายธรรมะด้วยเสียงอันไพเราะขอจงประทานความสวัสดีและความผาสุกแก่พวกข้าพเจ้าเถิดพระเถระนามว่าพระสีวลีผู้มีความสันโดษในปั จ, จัยสีเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้มีลาภขอจงประทานความสวัสดีแก่ข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระเถระนามว่าพระวักกะลิ เป็นผู้มากด้วยความปราโมทเป็นเลิศ ก, กว่าบรรดาภิกษุผู้มีศรัทธาขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดแม้พระเถระนามว่าราหูละผู้เป็นพุทธบุตรผู้เป็นทายาทในธรรมะทั้งปวงผู้เป็นเลิศ ก, กว่าบรรดาภิกษุผู้มุ่งต่อการศึกษาขอจงประทานความสงบอันประเสริฐแก่พวกข้าพเจ้าเถิด พระเถระนามว่ารัฐปาละผู้มีความเพียรยิ่งเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้บวช ด, ด้วยศรัทธาขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระคุณทธานะมหาเถระพูดถึงซึ่งความเป็นที่หนึ่งในการจับสลากจึงดำรงอยู่ในตำแหน่งที่เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้ร่วมจับสลาก ขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระอาหารหันต์นามว่าวังคีสะเถระผู้ประเสริฐเป็นผู้ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้มีปฏิพานกวีขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระอุปเสนาวังคันตบุตรเทระ พระสัสดาทรงตั้งไว้ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้มีบริษัทอันน่าเลื่อมใสขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระทัพพระมัลละบุตรเทระ พ, พระศาสดาทรงตั้งไวในตำแหน่งที่เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้จัดแจงเสนาสนะขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิด พระปิลินทวัชเทระพระสัสดาทรงตั้งไว้ในตำแหน่งที่เลิ่เกวกว่าบรรดาภิกษุทั้งหลายที่เป็นที่รักของเหล่าเทวดาขอจงประทานความสวัสดีและความไม่มีโรคแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเถิดพระพาหิยะทารุจิริยะเทระเป็นผู้เลิศกวกว่าบรรดาภิกษุผู้ตรัสรู้เร็วขอจงประทานความสงบอันประเสริฐความไม่มีโรคและชัยชนะ แก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระกุมาร ก, กัสปักเทระเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้แสดงธรรมได้อย่างวิจิตผู้สามารถละมิจฉาวิตกได้ขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระอรหันต์นามว่าโกตะทิตะเทระเป็นผู้ประเสริฐ เป็นผู้เลิศ ก, กว่าบรรดาภิกษุผู้ได้ปฏิสัมพิทาสีขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระภากุลเถระผู้เป็นพระอรหันต์เพราะเหตุที่เป็นผู้มีอาพาธน้อยจึงเป็นผู้เลิศ ก, กว่าบรรดาภิกษุผู้มีอาพาธน้อยขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิด พระเถระนามว่าโสพิตั์ผู้อันพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้ระลึกชาติในปางก่อนได้ขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดแม้พระมหากัปปินะเถระเป็นผู้ให้โอวาทภิกษุเป็นผู้เลิศในการให้อวาทขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิด พระเถระนามว่านันทกะเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้ให้โอวาดแก่นางภิกษุณีโปรดรักษาพวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดขอจงประทานความสวัสดีและความผาสุกแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระนันทเ ถ, ถระผู้ได้วสีคือความชํานาญในการเข้าออกฌานสมาบัติ เป็นผู้เลิศ ก, กว่าบรรดาภิกษุผู้สำรวมอินทรีย์ขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระเถระนามว่าสาขัดผู้อันพระาศาสดาทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเป็นผู้เลิศ ก, กว่าบรรดาภิกษุผู้ฉลาดในเตโชธาตเตโชกสินคือกรรมฐานที่เพ่งไฟเป็นอารมณ์ ขอจงประทานความสวัสดีและความผาสุกแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระมหาปันทกะเถระผู้ชำนาญในสัญญาวิวัตตะได้แก่วิปัสนาเป็นผู้มีความเพียรมีความยินดีในภาวนาเป็นสิทธิของพระาศาสดาขอจงประทานความสงบอันประเสริฐแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเถิดแม้พระจุลปันทกะเทระ ผู้อันพระศาสดาทรงตั้งไว้ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้นิรมิตกายได้มากและในตำแหน่งผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้ฉลาดในเจโตวิวัตตักคือฉลาดในฌานสมาบัติขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระราธะเถระผู้อันพระพุทธเจ้าตั้งไว้ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้มีปฏิภาณในคำสอน ขอจงประทานความสวัสดีอันประเสริฐและความไม่มีโรคแก่พวกข้าพเจ้าเถิดพระโมคคัราชาเถระเป็นผู้เลิศ ก, กว่าบรรดาภิกษุผู้ทรงจีวรที่เศร้าหมองคือผ้าเก่าผ้าเนื้อหยาบสีเศร้าหมองขอจงประทานความสงบอันประเสริฐแก่พวกข้าพเจ้าเถิดพระวิมลเทระผู้มีปัญญาปราศจากมนทิน ผู้มีรูปงามผู้มีจิตตั้งมั่นกิเลสเพียงดังทุลีไม่สาบทาขันห้าของท่านขอจงประทานซึ่งความสงบอันยิ่งใหญ่แก่พวกข้าพระเจ้าเถิดพระเถระนามว่าธรรมะปาละผู้รักษาธรรมะอันประเสริฐผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมะอันประเสริฐผู้เป็นพระมหาขีณาศพในโลกขอจงประทานความสงบอันประเสริฐแก่พวกข้าพระเจ้าเถิด พระจักขุปปาละมหาเทระผู้มีความเพียรผู้สำรวมแล้วในศีลผู้มีจิต ด, ดิ่งไปในนิพพานผู้มีรูปกายอันประเสริฐขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าเถิดพระนารทะเถระผู้ก้าวล่วงเวรและภัยทั้งปวงแล้วสิ้นอาสวะแล้วกระทำความสงบอันประเสริฐในโลก ขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระสัทธรรมะสวนะเทระผู้ยินดีในการบูชาพระพุทธเจ้ามีความพักดีในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระโคตมะเทระผู้เข้าถึงพบสุดท้ายแล้ว ยินดีในภาวนาถึงความสิ้นไปแห่งราคะขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระโคธิกะเทระเมื่อเพ่งความตรัสรู้ได้เสนาสนะที่สับปายะแล้วจึงได้บำเพ็ญฌานท่านเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงทำชาปนกิจให้เวลาปริณิพานขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้า ในการทุกเมื่อเถิดพระสุพาหุผู้มีใจเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเคยกระทาอัญชลีมาแล้ว9กกับเป็นพระอรหันต์ผู้มีความชำนาญในฌานสมาบัติขอจงประทานความสงบอันประเสริฐแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระวัลิยะเถระผู้ขวนขวายในวิปัสสนากรรมฐานมีจิตตั้งมั่นดีแล้วมีสติ ได้ฌานมีปกติอยู่ปาขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระอุตติยเทระผู้ทรงพระวินัยผู้เป็นจอมแห่งหมู่มนุษย์และถวยเทพผู้ทรงร่างกายอันมีในที่สุดคือสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีการเกิดต่อไปอีกขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิด พระวิมลโกณธัญญะเทระผู้บังเกิดเป็นโอรสของพระเจ้าพิมพิสารผู้มีวัดปฏิบัติอันขาวสะอาดขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระสัพพิยะเทระผู้อยู่ในป่าอันน่ารื่นรมเจริญกุศลเป็นอเนกบรรลุพระนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งโยคะ คือกิเลสอันเป็นเครื่องผูกสัตว์ไว้ในสังสารวัฏขอจงประทานความสงบแก่พวกข้าพเจ้าเถิดพระนาคิตะเทระผู้ระลึกชาติในปางก่อนได้ผู้มีทิพจักสุอันบริสุทธิ์บรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วขอจงประทานความสวัสดีและความไม่มีโรคแก่พวกข้าพเจ้าเถิดพระวิชยมหาเทระ ผู้เข้าถึงปาติโมกสังวรศีลผู้มีป่าเป็นที่โคจรผู้มีปกติกล่าวสรรเสริญตามที่ตนได้ปัจจัยมาขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระสังฆรักขิตะมหเทระผู้ถางรกชัดคือตันหายัางวิปัสนาให้เจริญขอจงประทานความสงบอันประเสริฐแก่พวกข้าพเจ้าเถิด พระอุตระเถระผู้ยินดียิ่งในการอยู่ป่าผู้ถอนตัณหาอันเป็นเครื่องนำไปสู่พบได้แล้วบรรลุถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งหลายคือมรรคผลนิพพานขอจงรักษาพวกข้าพเจ้าให้พ้นจากภัยเถิดพระอุสภเถร ะ, ระผู้กระทําบุญทั้งหลายไว้ในการก่อนแล้วปรารอบกรรมาฐานอันเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งอริยมรรค บรร ล, ลุความเป็นพระอระหันต์ขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระสิกวะกะเถระพูดถึงพร้อมด้วยสมาบัติมีอภิญญาหกมีฤทธิ์มากเป็นผู้พิจารณาตัณหาดังที่พระพุทธองค์ทรงพิจารณาขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิด พระธนิยะเถระผู้มีอริยะทรัพย์เจ็ดประการผู้เป็นดุจทะเลแห่งธรรมผู้สำรอกกิเลสอันเป็นเหตุท่องเที่ยวในสังสารวัฏได้แล้วขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระโปสิยะเถระผู้กำหนดรูเ้เบญจขัน์แล้วเสวยอรหัตผลสมาบัติเข้าถึงพระนิพพานอันประเสริฐ ขอจงรักษาพวกข้าพเจ้าให้พ้นจากภัยเถิดพระอุจยะเถระผู้สมบูรณ์ด้วยธรรมอันเป็นเหตุออกจากวัตตะผู้นับถือพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งผู้ขวนขวายประโยชน์เพื่อชาวโลกขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระเถระนามว่าสัญญา พูดถึงพร้อมด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าบวชแล้วในศาสนาของพระพุทธเจ้าขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระมหาเทรนามว่ามารัญชยะผู้มีฤทธิ์มากและพระมหาเทระนามว่ารามะเนยยะเป็นผู้มีจิตดิ่งสู่พระนิพพานขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้า ในการทุกเมื่อเถิดพระวีระเถระผูกขามผลบาปและบุญทั้งสองประการแล้วผู้ไม่มีอาสวะบรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์ขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระบุญนามาสะมหาเถระเป็นผู้ทรงผ้าบางสุกุลกระทำบุพภกิกข์เบื้องต้นแล้ว ขอจงประทานความสงบอันประเสริฐแก่พวกข้าพเจ้าเถิดพระปัญจสังคาติคะเถระผู้ข้ามพ้นกิเลสเป็นเครื่องค้องคือนิวรณ์หอย่างผู้ตัดโอรัมภาคิยะสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องต่ำหอย่างได้แล้วผู้ละอุทธธรรมภาคิยะสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องสูง5อย่างได้แล้วผู้เจริญอินทรีห้าคือสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระเพลัฐศีสะเทระผู้เคยจัดแจงการบูชายันในการที่ตนเป็นฤาษีผู้ถวายความพักดีต่อพระพุทธเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งวงแห่งอริยะคือสันโดษในจีวรบินทบาเสนาสนะและยินดีในการภาวนา ขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระมหาเถระนามว่าอาชิตะผู้ไม่มีความกลัวภัยห้าอย่างคือราชภายัภยโจรภัยอักคีภยัยอุท ก, กภยัยวาตภายัยที่กำลังเกิดขึ้นผู้ไม่มีความเยื่อใยในชีวิตขอจงประทานความสงบอันประเสริฐแก่พวกข้าพเจ้าเถิดพระกุลเถระ ผู้มีความพักดีในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ได้กระทำบุญบารมีอันมีนิพพานเป็นที่รองรับบรรลุถึงความเป็นพระอระหันต์ขอจงประทานความสงบอันประเสริฐแก่พวกข้าพระเจ้าเถิดพระเถระนามว่านิโครท ะ, ะผู้มีปกติเจริญวิปัสนาผู้เป็นธรรมทายาตเป็นผู้ได้ประจักษ์แจ้งธรรมะที่เป็นเหตุใหถึงนิพพาน ขอจงประทานความสงบแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระอรหันต์นามว่าสุขันทะได้บรรลุวิชาสามเป็นผู้หมดสิ้นจากบาปทั้งปวงขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระนันทิยะมหาเทระผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาผู้ชนะกิเลสทั้งปวงผู้ถึงที่สุดแห่งอภิญญา ขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระเถระรูปใดเป็นบุตรของนายช่างทองเป็นผู้ยินดีในธรรมะอันเป็นเครื่องพิชิตมารชนะกิเลศด้วยมรคยานแล้วพระเทระนั้นนามว่าวิมละขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระติสาเทระ สวยสมบัติในเทวโลกและมนุษย์โลกแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์ผู้ประเสริฐขอจงประทานความสงบอันประเสริฐแก่พวกข้าพเจ้าเถิดพระสุมังคละมหาเถระผู้หลุดพ้นจากกิเลสแล้วเป็นพระอรหันต์ผู้ประเสริฐพ้นแล้วจากความคดกายวาจาใจทั้งสามขอจงประทานความสงบอันประเสริฐแก่พวกข้าพเจ้าเถิด พระมหาเถระนามว่าคุตตผู้ปราศจากลิ่มคืออวิชชาผู้ปราศจากกิเลสคือความอยากผู้ชำระมนทินได้ทั้งหมดผู้ยินดีในความวิเวกโปรดประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระเถระนามว่าคิริมานันทะเจริญกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ได้บรรลุวิเวกสามแล้ว คือกายวิเวกจิตวิเวกอุปัติวิเวกขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระสมิท ธ, ธิเถระผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ยินดีในการภาวนาผู้สมบูรณ์ด้วยคุณอันเป็นเหตุแห่งความสําเร็จขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิด พระโชติตกเถระผู้ชนะตันหาอันเป็นเหตุให้ยินดีได้แล้วเป็นผู้สงบเป็นพระอรหันต์ผู้ประเสริฐหลุดพ้นแล้วจากสังสาระทั้งปวงขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระมหาจุนทะเถระอาศัยเสนาสนะอันสงัดอยู่เข้าฌานได้อภิญญาหก ขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระช น, นะเทระผู้เป็นสหาชาติกับพระพุทธเจ้าเมื่อเชื่อฟังคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะคือพระนิพพานแล้วขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระเมขิยะเทระ ผู้อุปถาพระพุทธเจ้าผู้มีความพักดีในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งตัดมิจฉาวิตกคือความดมริผิดได้แล้วขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระอุปวานะผู้เป็นมหาเทระมีร่างกายใหญ่เป็นพระอาหารหันผู้ประเส ร, ริฐมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมาก ขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระสังกิจจาเทระผู้ฝึกโจห้าร้อสิ้นสังโยชน์คือกิเลสเครื่องผูกสัตเว์ไว้ในสังสารวัฏแล้วขอจงรักษาพวกข้าพเจ้าให้พ้นจากภัยทั้งปวงขอจงประทานความสวัสดีและความไม่มีโรคแก่พวกข้าพเจ้าเถิดพระโสปากะเทระ เป็นภิกษุผู้ฉลาดในการทูลตอบปัญหาของพระพุทธเจ้าผู้ยินดีในฌานอันประกอบด้วยเมตตาพูดถึงพร้อมด้วยอุบายเพื่อให้ได้มรรคผลขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระสุมณะเถระผู้สมบูรณ์ด้วยการเวลาอันสมควรที่จะบรรลุธรรมผู้จเจริญเติบโตด้วยความสุขเป็นพระอรหันต์แล้ว ขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระสานุเถระผู้เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้เป็นพระหูสูนผู้มีปกติเข้าฌานประกอบด้วยเมตตาผู้ทำลายความมืดคือโมหะขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระเทระใดได้เคยทำบาปมาก่อน เป็นผู้ตัดบาปอกุศลได้ด้วยอริยมรรคพระเถระนั้นนามว่าองคุลิมาละขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระเถระแม้เหล่าใดผู้สิ้นอาสวะผู้มีอนุภาพอันยิ่งใหญ่ผู้ขจัดความมืดมิดคือโมหะผู้เจริญวิปัสสนาเป็นทุระก็ดีพระเถระเหล่าใดผู้เป็นสมถะญาิกะก็ดี และพระเทระเหล่าใดผู้ได้ฌานและไม่ได้ฌานก็ดีพระเทระเหล่าใดผู้ถูกกำหนดด้วยการบรรลุอริยสัจ ธ, ธรรมก็ดีขอพระเทระทั้งปวงที่กล่าวมาแล้วนี้จงประทานความสวัสดีชัยชนะความไม่มีโรคและอายุแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระโคตมีเถรี ผู้เป็นพระน้านางของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ในตําแหน่งผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุณีผู้รู้ราตีขอพระเถรีได้โปรดประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระพุทธสาวิกาผู้ประเสริฐสุดปรากฏนามว่าพระเขมาเถรีผู้ดํารงอยู่ในตําแหน่ง ผู้เลิศกว่าเหล่าบรรดาภิกษุณีผู้มีปัญญามากขอพระเถรีจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระอุบลวัรนาเถรีเป็นพุทธสาวิกาผู้ประเสริฐสุดเป็นผู้เลิศกว่าเหล่าบรรดาภิกษุณีผู้มีฤทธิ์ขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิด พระเทรีผู้ปรากฏชื่อว่าพระประตาจาราพระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าเหล่าบรรดาภิกษุณีผู้ทรงพระวินัยขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระเทรีผู้มีนามว่าธรรมที่นานาพระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าเหล่าบรรดาภิกษุณีผู้เป็นธรรมกรถึก ขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระสาวิกานามว่านันทาเทรีเป็นผู้ดำรงอยู่ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าเหล่าบรรดาภิกษุณีผู้มีฌานขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระเถรีนามว่าโสนา พระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ในตำแหน่งผู้เลิ่กว่าเราบรรดาภิกษุณีผู้ปราบรความเพียรขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระเถรีผู้ปรากฏชื่อว่าพระกุลาเป็นผู้มีจักรสุขอันบริสุทธิ์เป็นผู้เลิ่กว่าเหาบรรดาภิกษุณีผู้มีตาทิพตขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิด ภิกษุณีชื่อว่ากุณฑละเกสีพระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้แล้วในตำแหน่งเป็นผู้เลิศกว่าเหล่าบรรดาภิกษุณีผู้ตรัสรู้เร็วขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระพัฒกาปิลานีเทรีผู้ระลึกถึงชาติในปางก่อนได้เป็นผู้เลิศกว่าเหล่าบรรดาภิกษุณีผู้ระลึกชาติปางก่อนได้ ขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าเถิดพระพัทก จ, จานาเทรีหรือพระนางยะโสธราผู้รวมทุกข์ร่วมสุขเป็นคู่บารมีกับพระชินเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตั้งพระนางไว้ในตำแหน่งเป็นผู้เลิศกว่าเหล่าบรรดาภิกษุณีผู้มีอภินยาอันพิเศษขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิด แม้พระกิสาโคตมีพระสัสดาตั้งไว้ในตำแหน่งเป็นผู้เลิศกว่าเหล่าบรรดาภิกษุณีผู้ทรงจีวรเศร้าหมองขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระสิงคาลมาตาภิกษุณีเป็นผู้ประเสริฐสุดแห่งเหล่าภิกษุณีผู้มากด้วยศรัทธาขอจงประทานความสงบอันประเสริฐ ความไม่มีโรคและความสุขแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพระภิกษุณีเหล่าอื่นทั้งปวงเป็นจํานวนมากผู้สรงคุณธรรมต่างๆกันขอจงรักษาพวกข้าพเจ้าให้พ้นจากภัยทั้งปวงอันเกิดจากความเศร้าโศกและโรคเป็นต้นพระภิกษุณีทั้งหลายผู้เป็นพระเสกขบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้น เป็นผู้ยิงยวดด้วยศรัท ธ, ธาปัญญาและศีลเป็นผู้เผากิเลสได้เป็นบางส่วนขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดสุมาณะจละนาคราชอรวาระนาคราชเอรปตะกะนาคราชจำเปยะนาคราชมุจลินทะนาคราชกัมภะนาคราช ผู้เป็นใหญ่แห่งนาคราชกาลนาคราชมหาการะนาคราชสังกปาลนาคราชมโหทระนาคราชบณิกันทนาคราชบณิอคิทนาคราชนันทนาคราชอุปนันทนาคราชวรุณนาคราชทตรัฐนาคราชกุงขวิระนาคราชอัปปลาละกะนาคราชจิตระนาคราชมหาวีระนาคราช จัพพยาปุตตะนาคราชวาสุกีนาคราชกันหาโคตมะนาคราชนาคผู้เป็นจอมนาคอะคิสิกานาคราชถูมสิกานาคราชอหิชตะนาคราชจูโรทระนาคราชพญานาคทั้งหลายมีเอราปถนาคราชเป็นต้นหมู่นาคราชทั้งปวงเหล่าใดเป็นนาคราชมีพิษร้ายแรงมีพิษน่าสะพึงกลัว มีในตาเป็นอาวุธดำรงอยู่ในน้ำดำรงอยู่บนบกดำรงอยู่ที่ภูเขาหรือว่าเที่ยวไปโ น, น, น่นนี่ขอหน้าคราททั้งปวงเหล่านั้นจงประทานความสวัสดีอันประเสริฐความมีอายุและความไม่มีโรคแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดหมู่อสูรเหล่าใดคือหมู่ปหาราธะอสูร หมู่สัมภระอสูนหมู่ผลิอสูนหมู่เวปจิตต์อสูนหมู่จันทอสูนเป็นต้นแม้หมู่อสูนเหล่านั้นทั้งปวงมีเดชมากผู้สามารถป้องกันพูดและยันขอจงประทานความสวัสดีอันประเสริฐความไม่มีโรคและชัยชนะแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดยักษ์ผู้เป็นกลุ่มพระเทวดาเจ็ดพันตนเหล่าใดอยู่ในเมืองกบินลพั มีฤทธิ์มีความเจริญรุ่งเรืองมีวันณนะมีบริวารมากเทวดาที่เป็นยักษ์ทั้งปวงผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมีศัก์ใหญ่ผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองคอยักษ์เหล่านั้นจงประทานความสวัสดีอันประเสริฐความไม่มีโรคและชัยชนะแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดเทวดาซึ่งเป็นยักษ์พตนอยู่ที่เขาเฮมวตตา มีผิวพันธุ์วันณะต่างๆกันยินดีในการบูชาพระพุทธเจ้าขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดเทวดาซึ่งเป็นยักษ์สามพันตนอยู่ที่เขาสาตาคีรีมีผิวพันธุ์วันณะสีเขียวเป็นต้นผู้สมบูรณ์ด้วยรัศมีต่างๆขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิด เทวดาที่เป็นยักษ์ห0 0อตนอยู่ที่เขาเวสสามิตรมีผิวพันธุ์วันนะต่างๆกันมีริษมีความรุ่งเรืองมีวันนะมีบริวารบรรเทิงอยู่มาชุมนุมกันขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเอถิดเทวดาชื่อว่ากุมพีระอยู่ในพระนครราชครึกวิมานของเท้าเธอนั้น ได้แก่ยอดเขาวเวปุละเท้าเธอนั้นเป็นผู้อันหมูยักษ์หลายแสนตนเข้ามาปรนิบัติรับใช้ขอเท้ากุมพีระผู้มียักษ์เป็นบริวาร น, นั้นขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถินเท้ามหาราชนามว่าทัตตรัฐปกครองอยู่ในทิศบุรพาเป็นอธิบดีของพวกคนทัน เท้าเธอมีบริวารมากแม้บุรของเท้าเธอก็มีมากนามว่าอินทะมีกำลังมากขอเท้าทัตต ร, รัตถะกับบุรทั้งหลายขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดเท้ามหาราชนามว่าวิรุณหกกะปกครองอยู่ในทิศทักษิณเป็นอธิบดีของพวกกุมพันธ์ เท้าเธอมีบริวารมากแม้บุตรของเท้าเธอก็มีมากนามว่าอินทะมีกำลังมากขอเท้าวิรุณหกะกับบุตรทั้งหลายขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดเท้ามหาราชนามว่าวิรูปกขะปกครองอยู่ในทิศปัดชิมเป็นอธิบดีของพวกนาคเท้าเธอมีบริวารมาก แม่บุตรของเท้าเธอก็มีมากนามว่าอินทะมีกำลังมากขอท้าวิรูปักขะกับบุตรทั้งหลายขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเอถิดเท้ามหาราชนามว่ากุเวระปกครองอยู่ในทิศอุดรเป็นอธิบดีของพวกยักษ์เท้าเธอมีบริวารมาก แม้บุตรของเท้าเธอก็มีมากนามว่าอินทะมีกำลังมากขอเท้ากุเว ร, กระกับบุตรทั้งหลายขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถอเท้าทัตต ร, รัตถะประจำอยู่ในทิศบุรพาทาวิรุณหกะประจำอยู่ในทิศทักษิณทาวิรูปักขะประจำอยู่ในทิศปัดฉิมเท้ากุเวระ ประจําอยู่ในทิศอุดอรท้ามหาราชทั้งสี่ผู้รุงเรืองดุจประทีปประจําอยู่ในทิศทั้งสี่โดยรอบขอเท้าเธอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพวกบ่าวของท้าวมหาราชทั้งสี่เหล่านั้นล้วนเป็นผู้มีมายาหลอกลวงเจ้าเลขได้แก่บ่าวชื่อกุเตนทุก็ดีชื่อวิเตนทุก็ดีชื่อวิ ต, ตุจักก็ดี ชื่อวิตุตักก็ดีชื่อจันทนะก็ดีชื่อการมเสษถาก็ดีชื่อกินนุมันทุก็ดีชื่อนิมันทุและปนาทะเทวดาก็ดีชื่อโอมัญญะเทวดาก็ดีเทพสารถีชื่อว่ามาตลิก็ดีต่างก็มาแล้วสู่ที่ชุมนุมเทพขนทันชื่อว่าจิตตะเสนะชื่อว่านโรราชะชื่อว่าชเนสภะชื่อว่าปัญจสิกขา ชื่อว่าติมาพรูชื่อว่าสุริยวัชสาเทพธิดาขอพระราชาทั้งหลายเทพคนทันทั้งหลายและเทพเหล่าอื่นผู้มีกองกําลังมหาศาลบันเทิงอยู่ขอจงประทานความสวัสดีและความไม่มีโรคแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดเหล่านาคผู้อาศัยอยู่ในสระน้ำชื่อว่านาคสะจำนวนมาก พร้อมกับบริวารของเท้าตัดชกะและนาคผู้อาศัยอยู่ในนครเวสาลีและกัมพละนาคราชอัศตระนาคราชผู้มีพละกำลังผู้อาศัยอยู่ที่เชิงเขาสุเมรุนาคผู้อยู่ในแม่น้ำยมุนาและนาคชื่อว่าทัตรัตถะและนาคทั้งหลายทั้งปวงผู้มีบริวารเป็นจำนวนมากและเท้าเอราวันผู้มีชื่อว่ามหานาค ขอจงประทานความไม่มีโรคแก่พวกข้าพเจ้าเถิดครุดเหล่าใดเป็นผู้มีฤทธิเดชผู้ทรงพลังจับหน้าคราชผู้ทรงพลังในดินแดนที่ตนชนะนั่นเทียวแล้วบินไปในท้องฟ้าครุดทั้งปวงเหล่านั้นเป็นผู้นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิด เทวดาชื่อว่าปัตถวีอาโป О, เตโชและวาโย ο, ผู้มีฤิมากบังเกิดด้วยอุปจาระชานของตนตนขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดวรุณเทพวรนาเทพโสมเทพพร้อมทั้งยะสาเทพเมตตาเทพกรุณนาเทพขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้า ในการทุกเมื่อเถิดสุริยะเทพบุตรผู้อาศัยอยู่ในสุริยะวิมานที่สําเร็จด้วยรัตนะซึ่งมีความยาว50โยชนขอจงทําลายความมืดและประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าเถิดจันทเทพบุตรผู้ประทานความร่มเย็นแก่ชาวโลกสองสว่างปรากฏขึ้นด้วยรัศมีมีปกติทําลายความมืดมนต์ ขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดเวณทุเทพศีหาศีเทพอสมะเทพยามาเทพทั้งสองเทพผู้อาศัยจันท h เท พ, พบุตรเทพผู้อาศัยสุริยะเทพบุตรและเทพทั้งหลายทั้งปวงผู้นับถือพระพุทธเจ้าขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิด เทพทั้งหลายผู้พึ่งพาอาศัยนักสัตว์คือดวงดาวเวลาหากะเทพทั้งหลายผู้ยังให้บังเกิดลมเท้าสักกะผู้เคยให้ทานมาก่อนผู้ได้รับการยกย่องขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดสหภูเทพผู้ประเสริฐผู้รุ่งเรืองดุดเปเลวไฟอริตทธเทพโรชัเทพ ผู้มีรัศมีเช่นกับดอกอุมาคือดอกผักตบวรุณเทพสหธรรมเทพอัจุตเทพอเนชกเทพสุเลยะเทพรุจิราเทพวาสวเนสีเทพขอเหล่าทวยเทพสิบจำพวกเหล่านี้ขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดสมาณะเทพมหาสมาณะเทพมนุสเทพมนุสุตธรมเทพ คิทัฏฐาปโทสิกเทพมโนปโทสิกเทพอันหนึ่งฮัลรีเทพโลหิตตวาสีเทพปาระคกเทพมหาปาระคกเทพเทพทั้งปวงล้วนมีบริวารขอเหล่าทวยเทพทั้งสิบจำพวกเหล่านี้ขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดสุกเทพกระรรมพเทพอรุณเทพ มาแล้วพร้อมกับเวคณะเสะเทพโอทาตะไครหะเทพผู้เป็นใหญ่และวิจักขณะเทพก็มาสทามัตตเทพหารัคขชะเทพมิสกัเทพผู้มีบริวารก็มาปัจชุณะเทพผู้ทำให้ฝนตกทั่วทิศก็มาเหล่าเทวดาสิบธิจำพวกเหล่านี้ทั้งปวงล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีวันนะมีบริวารบันเทิงอยู่ ผู้ประธานชัยชนะขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดในหมื่นโลกกัทธาโดยรอบนั่นเถี่ยวขอมู่สัตว์มีเทวาเป็นต้นขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดขอเขมียะเทพกัตถกายะเทพโชติเทพผู้มีฤทธิ์มากลามพีตกะเทพลามเสธะเทพ ขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดเทพเหล่าอื่นอันมีเทพที่อยู่ในน้ำเทพที่อยู่บนบกเทพที่อยู่ในอากาศเป็นต้นและยักษ์คนทันกุมพันปีศาจและนาคราชทั้งปวงขอจงมีจิตเมตตาประทานความสวัสดีและความผาสุขแก่พวกข้าพเจ้าเถิดถวยเทพชั้าานดาวดึงชั้นยามาผู้ทรงฤทธ ถวยเทพชั้นดูสิทธ์ชั้นนิมมานรดีถวยเทพชั้นประนิมิตะตะวัสวตีขอถวยเทพทั้งปวงดังที่กล่าวมานี้พร้อมทั้งท้าวาสวะคือพระอินทผู้มีความยินดีในการบูชาพระพุทธเจ้าขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพรหมผู้ดํารงอยู่ในปฐมฌานเหล่านี้คือ บริษัทชาพรหมปุโรหิตาพรมและมหาพรหมมาพรมขอพรหมทั้งปวงเหล่านั้นผู้มีปกติอยู่ด้วยเมตตาผู้สงบผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งผู้เป็นทั้งเสกะขะพระอรหันตและปุตุชนขอจงประทานความสวัสดีอันประเสริฐแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเถิดพรหมผู้ดำรงอยู่ในทุติยชาญผู้ยินดีในการบูชาพระพุทธเจ้าเหล่านี้คือ ปริตตาพาพรมอปปมานาพาพรมและอภัสราพรมขอพรมทั้งปวงผู้มีปกติเมตตาการุณาสแสวงหาความเกื้อกูลให้แก่สัตว์ทั้งปวงขอจงประทานความสงบอันประเสริฐความสวัสดีความไม่มีโรคและความมีอายุแก่พวกข้าพเจ้าเถิดพรมผู้ดำรงอยู่ในตติยะฌานเหล่านี้คือปริตตสุภาพรมอปปานสุภาพรม และสุภากินนาหาพรมขอพรมทั้งหลายเหล่านั้นผู้แผ่รัศมีไปในโลกผู้ยินดีในพุทธชาญผู้ไม่เบียดเบียนสรรพสัตว์ทั้งปวงขอจงประทานความสงบแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพรมผู้ดำรงอยู่ในจัตุตัฐชาญผู้เป็นเสกกะขะปุตุชนและอเสกกะขะคือเวหัปะพลาพรม ขอจงประทานความสงบแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดพรมทั้งหลายผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมไม่เสื่อมจากฌานสมาบัติเพราะเหตุนั้นจึงได้ชื่อว่าอาวิหาพรมขออวิหาพรมทั้งปวงเหล่านั้นขอจงประทานความสงบแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดข อ, อตับปาพรมทั้งปวง ผู้มีพรหมวิหารดำรงอยู่ในจตุตต ะ, ะชาญนขอจงประทานความสวัสดีและความผาสุขแก่พวกข้าพเจ้าเถิดขอเหล่าพรหมชื่อว่าสุทธัสสาผู้มีรูปงามผู้เสวยชาญผู้ไม่กลับมาในการมภูมิอีกขอจงประทานความสงบและความผาสุขแก่พวกข้าพเจ้าเถิดขอเหล่าพรหมชื่อว่าสุทธศี ผู้สมบูรณ์ด้วยพรห ม, มวิหารผู้มีความนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดขอเหล่าพรหมผู้เจริญที่สุดด้วยคุณทั้งปวงชื่อว่าอากานิฐาผู้ละความสิเนหาในพบได้แล้วขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิด ขอเหล่าอารูประพรมชั้นที่หนึ่งทั้งปวงผู้ปราศจากความกำหนัดในรูปยินดีในการพักดีพระชินนะเจ้าขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดขอเหล่าอารูปประพรมชั้นที่สองทั้งปวงผู้ปราศจากความพอใจในชานเบื้องต่ำยินดีในการพักดีพระชินนะเจ้า ขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการ <maybe S 1> ทุกเมื่อเถิดขอเหล่าอารูปประพรมชั้นที่สทั้งปวงผู้ประศจากความพอใจในชานเบื้องต่ํายินดีในการพักดีพระชินเจ้าขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดขอเหล่าอรูปประพรมชั้นที่สี่ทั้งปวงผู้ประศจากความพอใจในชานเบื้องต่ํา ยินดีในการพักดีในพระจินเจ้าขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดขอเหล่าวิทยาธรกับเทวดายักษ์และปีศาจในวิเทหะทวีปอประโคยานะทวีปชมพูทวีปและอุตรกุรุทวีปอากาสันทะเทวดาและพรมสัตว์ทั้งหลายมีสัตว์สองเท้าเป็นต้น ผู้ดำรงอยู่ในน้ำผู้เกิดในอากาศขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดด้วยพระเดชานุภาพันยิ่งใหญ่ของพระชินเจ้าผู้ทรงขจัดมารและเสนามารผู้เสวยสุขในฌานด้วยพลังเดชอันยิ่งใหญ่ขอมงคลจงมีแก่พวกข้าพระองค์ในการทุกเมื่อเถิด ด้วยอนุภาพแห่งพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระศาสดาผู้ทรงมีพระวรกายอันงามวิจิตด้วยคุณต่างๆผู้ทรงปลดเปลื้องเหล่าทวยเทพและมนุษย์ทั้งปวงให้หลุดพ้นจากบ่วงแห่งมารขอมองคลจงมีแก่พวกข้าพระองค์ในการทุกเมื่อเถิดด้วยพระเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่แห่งพระธรรมคือมู่ธรรมมีพระสัพพันยุตยานเป็นต้นขอพระพุทธเจ้าทั้งหลาย อันไม่ใช่อารมณ์ของจักสุเป็นต้นแต่เป็นอารมณ์ของปัญญาเท่านั้นขอสัพพะมงคลจงมีแก่พวกข้าพระองค์เถิดด้วยพระเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธปฏิมาที่ทรงเนรมิตขึ้นให้เหมือนรูปจริงแทนพระพุทธองค์ผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เมื่อทรงสแสดงอภิธรรมแก่เหล่าทวยเทพในชั้นดาวดึง ขอมงคลจงมีแก่พวกข้าพระองค์ในการทุกเมื่อเถิดด้วยพระอนุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าผู้ทรงฝึกเหล่ามนุษย์และเทวดาให้หลุดพ้นจากบ่วงมานผู้ทรงละสังขารดับขันบริณิพานขอสัพพะมงคลจงมีแก่พวกข้าพระองค์เถิดด้วยพระเดชานุภาพของพระธรรม8ปพันพระธรร ม, มขัน ด้วยพระเดชานุภาพแห่งน ว, วังขษัตฤสานและด้วยพระเดชานุภาพแห่งนวโล ก, กุตตระธรรมอันนําบาปทั้งปวงออกไปขอสัปพามงคลจงมีแก่พวกข้าพระองค์เถิดด้วยพระเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระอริยสงฆ์ผู้ประเสรศิฐผู้เป็นเนื้อนาบุญผู้ไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมผู้ละบาปทั้งปวงผู้ทรงไว้ซึ่งคุณมีศีลเป็นต้น ขอสัพพมงคลจงมีแก่พวกข้าพเจ้าเถิดด้วยอนุภาพแห่งหมู่เทวดายักษ์ปีศาจและวิทยาธรคนทันนาคกุมพันธ์และรากศพผู้อาศัยอยู่ในบาดาลก็ดีบนพื้นดินก็ดีในอากาศก็ดีขอสัพพมงคลจงมีแก่พวกข้าพเจ้าเถิด ผู้ใดสวดหรือฟังคมภีอุปปาตสันติอันกล่าวแล้วด้วยประการชนนี้จะพึงชนะบาปทั้งปวงและจักเจริญด้วยคุณห้าประการคืออายุวันนะสุขะละและปฏิพานผู้ใดปรารถนาความสวัสดีพึงได้ความสวัสดีผู้ปรารถนาความสุขพึงได้ความสุขผู้ปรารถนาอายุพึงได้อายุผู้ประสงค์บุตรพึงได้บุตร โรคที่เกิดจากลมจากดีเป็นต้นย่อมไม่เบียดเบียนบุคคลนั้นความตายในการอันไม่สมควรย่อมไม่มีแก่บุคคล น, นั้นมิจฉาเทวดาย่อมไม่รังแกต่างๆนานาเคราะร้ายและภัยย่อมไม่มีแก่เขาในมิตรร้ายและสิ่งที่ตั้งขึ้นเพราะบาปกรรมย่อมพินาศไปความมีอายุยืนความสวัสดีอันประเสริฐและความไม่มีโรคจะพึงมีแก่เขาในการทุกเมื่อ ผู้ใดฟังคำพีอุ ป, ปาจตสันติอันประเสริฐแล้วพึงเข้าไปสู่สมรภูมิบุคคล น, นั้นอันศาสตราไม่กล้ากลายย่อมชนะค่าศึกทั้งมวลเขาย่อมได้ซึ่งความอิ่มใจในการทุกเมื่อความวิบัติย่อมไม่มากล้ำมกลายย่อมไร้โรคาย่อมเจริญด้วยทรัพย์สริงคานสัตว์ร้ายน้อยใหญ่และรากศกเป็นต้นผู้อยู่ในป่าเขาลำนาไพรทั้งหลายทั้งปวง ยอมสงบด้วยเสียงแห่งการสวดคาถาอุปปาตะสันติบุคคลสวดคำพีอุปปาตะสันติอุทิตให้ผู้ใดที่มีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่บุคคลนั้นยอมพ้นจากมหันตทุกย่อมเข้าถึงสุขติภพในการทุกเมื่อเท้าเทวราชทั้งหลายผู้ปกปักรักษาเนืองนิด ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เหนือในพระนครเป็นผู้เจริญด้วยเดชและสิริมงคลด้วยคำผีอุปปาตสันตินี้เหตุร้ายอันเกิดจากแผ่นดินไหวและน้ำท่วมเป็นต้นเหตุร้ายที่เกิดจากฟากฟ้ า, ฟ า, ฟาเหตุร้ายอันเกิดจากจันทรุป ร, ราคาเป็นต้นเหตุร้ายที่เกิดจากบาปกรรมเหตุร้ายทั้งปวงเหล่านั้นจับพินาศไปด้วยเดชแห่งอุปปาตสันติ อุ ป, ปาตสันตินิติตาจบพระคถาอุ ป, ปาตสันติ ด, ด้วยการสวดระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณด้วยการสวดนอบน้อมต่อเทพเทวดาทุกชั้นภูมิและสัตว์ทั้งหลายซึ่งเคารพในพระรัตนตรยัยและมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง รวมด้วยเหตุแห่งการกุศลทั้งปวงของข้าพเจ้าด้วยการทำทานรักษาศีลการฟังธรรมการปฏิบัติภาวนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอเหตุร้ายทั้งหลายทั้งปวงจงสิ้นไปขอจงทำลายความหลงผิดยึดติดทั้งปวงลงได้ในชาตินี้ขอให้มีตาสว่างในทุกๆเรื่องขอความสวัสดีความไม่มีโรคชัยชนะความสุขความสงบ ขอสัพพะมงคลความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ข้าพเจ้าและพวกข้าพเจ้าแก่บิดามารดาปู่ย่าตายายสามีภรรยาบุตรธิดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณคนรักศัตรูและเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าในทุกภพทุกชาติขอมหากุศลทั้งมวลอุทิศและบูชาแด่เทพเทวาทั้งหลายทุกภพภูมิ เท้ามหาราชทั้งสี่พระอินพระพรมยมยักษ์ท้าเวสุวรรณคนทันนาคครุฑอสูรกลุ่มพันพระสยามเทวาทิราชเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าพ่อหลักเมืองเทวดาประจําพระพุทธรูปเทวดาประจําตัวพระปู่ฤาษีพระภูมิเจ้าทีีในหลวงและพระราชินีพระมหาราชพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทหารตำรวจข้าราชการผู้ส่งความดีปีศาจเปรตสัมภเวสีรวมทั้งวิญญาณและสรพพสัตต์ทั้งหลายทั่วหมื่นจั ก, กรวาลอนันตจักรวาลขอทุกท่านได้โปรดรับและร่วมกันอนุโมทนาและขอได้โปรดเมตตาสนับสนุนช่วยเหลือให้ข้าพเจ้าได้ทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปสิ่งใดเป็นกุศลขอให้ข้าพเจ้าทาสาเร็จได้โดยง่ายสิ่งใดเป็นทุกข์เป็นอกุศล เป็นเหตุให้ตกต่ำกว่าในปัจจุบันเป็นเหตุแห่งการลงสู่อบายภูมิขออย่าให้ข้าพเจ้าทำสำเร็จสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอท่านทั้งหลายจงพ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเทินสาธุสาธุสาธุ กราบลาพรพร้อมกัน อยากฝากทิ้งท้ายไว้อีกสักนิดนะครับสาหรับการสวดมนต์นั้นอานิสงส์จะได้อย่างที่ท่านพรรณนาไว้ก็อย่าลืมว่าทุกท่านต้องสวดด้วยความเข้าใจและที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องมีทานมีศีลภาวนาครบอา น, นิสงส์ของบทสวดถึงจะได้ผลอย่างจริงจังหากคุณไม่เคยทำทานไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติภาวนาไม่ศึกษาธรรมะการสวดมนต์ก็คงช่วยได้แต่เพียงเล็กน้อยนะครับ สวดมนต์แบบมีสติและเข้าใจจึงจะนำมาซึ่งอนิสงส์และพลานุภาพตามที่ครูบาอาจารย์ได้รจนาไว้นะครับและสำหรับท่านที่ต้องการสวดให้ใครเป็นพิเศษนะครับก็สามารถเปลี่ยนตรงคำว่าแก่พวกข้าเพเจ้าเป็นแก่ท่านนั้นๆที่เราต้องการสวดให้ได้เลยนะครับติดตามดาวน์โหลดธรรมะอีกมากมายได้ฟรี รวมถึงขอรับซีดีธรรมะได้ฟรีอีกมากมายที่เว็บไซต์ o c h o .net j o z h o n e t ขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับโจโฉตุลาคมพุทธศักราช2553